ปัจจิงเจ้าต้องาพากเพียนไปสู่พระผู้พิบาลของเจ้าอย่างทรหดอดทนและเจ้าจริงจะพบพระองค์ตัมมามันฟีกิตาบะูบยมีนีฟะซาวฟะาซะบยะซีราส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาจะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายไดายกอยอะกอริบอิลาอะห์ลิฮมสรูรา และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจมมมและส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องหลังของเข า, ล า, าแล้วเขาจะร้องเรียกหาความหายนะ และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงถ้าจริงเขาเคอร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาในโลกนี้ถ้าจริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอลัลลอฮ์อีกเป็ น, น, นอันขาดเพิ่งรู้ถิดว่า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 พวกเขาก็ไม่ยอมก้มลงกราบต่อหรอนแต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ยอมศรัทธาและรพระผู้อภิบาลทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้แต่นั้นเจ้ามูัวหมัด